โมได้ยินโมได้ฟังบมได้อ่านบมได้คิดมันประโยชน์น้อยเมื่อพูดอย่างนี้กระติ้ถามพอออกในออกถามพระเจ้าพระสงฆ์นั่กันเมื่อทุกคนนี่คนโง่ที่เป็นพระพุทธเจ้าได้บอกเป็นอย่างโมได้คนงงเป็นกระติ้งเป็นอย่าคนสลัดที่เป็นพระพุทธเจ้าได้บอกเป็นอยังว่าที่เป็นไง นี่นก้อนที่เป็นพระพเจ้าได้ต้องอาศัยผมสลากผ ม, มอาศัยผมโง่ครูบาอาจารย์เล่าที่กิ่งเสื้อกังเกงโบแมนมันเพี้ยนเป็นไงมันไม่ได้ใช้สติปัญญาตัวเองคนที่ดีได้มันต้องใช้สติปัญญาแต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัองอีกตื้นเพื่อนึงงั้นคนเฮาเนี่ยมันต้องมีพอบีแม่ยังเกิดขึ้นมาได้เมอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมี การศึกษาคือเข้าโรงเรียนแล้วก็มาบวชบวชเข้ามาแล้วก็เรียนหนังสือนักทำตีนักทำโทนักรรทำรรเอ๊ะเรียนบาลีถ้าเป็นผู้หญิงโบได้บวชก็ต้องเข้านึงโรงเรียนเรียนป .1 ป .2 ถึงป .7 หรือได้มหาไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกไปอันนั้นเป็นว่าเรื่อรู้จำรู้จำรู้จัก บนเป็นรู้แจ้งรู้จริงเคาที่ไปเชื่อจังสันหังกับจะได้เพียงควมจำไว้แค่น<ม>ั้นดังนั้นเขาต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูบาอาจารย์เราให้ฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาเขา6คิด7จรารณาให้มันแตก อ, ออกมาอย่างใ ด, ดงนั้นคนมันมีอยู่ที่ระดับควมดีของคน<ม>ดีๆอันนี้พอเรา อันดีดๆนี่แต่ว่าระดับดีมาจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์จากปู่ญาตาทวดสอนอันดีดเนี่ยดีกว่าเขาใช้สติปัญญาของเขาพิจเจริญนาเนี่ยดีที่สุดคือเขาเห็นแจ้งรู้จริงเห็นแจ้งรู้จริงนั่ก็ดีที่สุดแต่ที่มาว่าให้เขาสังเเดหเอขาวโบเสือเพราเขาเห็นแจ้งรู้จริงจริงจเหมือนกันดังนั้นคนที่ดี บ, บุนดีกันพอแม่ครูบาอาจารย์ยังดีด้วยสติด้วยปัญญาแต่สมาธิบอกพูดถึงสมาธินั่นเคลื่อนลตั้งใจมั่นหรือไปนั่งหลับตาบเอนอปนนั่งหลับตาบุเอ น, น, น, น, นตั้งใจมั่นแม่เมือ่อนี้มีคนคนหนึ่งผู้หญิงทำงานยูนี่หละมคอจนทว่าแต่บุญเจับเอามคออยู่ใส่บุญเขครับ ไปทำกรรมาฐานมาเป็นแสงแส่งคมคมนี่แสงดวงดวงแก้วครูบาอาจารย์สอนคําแสงดวงแก้วหรือดวงอย่างมางอยู่ไปจะมูกหรือบินศพเนี่ยคอยคืนเอาโลดเอาสันละว่าครูบาสอนมาเองแล้วที่ฟองคืนมาได้เ็เดือ น, น, อนเนี่ยันนคืนมาได้ตอนนี้เเนี่ยอันนี้ไปเสือ้อสวมบ่มีประโยชน์แต่ว่าแสดงว่าอย่าง ง, งอยู่ แต่อย่างนั้นก็ต้องเป็นปริญญานางคนนั้นเรียนมาอันนี้ไปเชื่อโูบา้าการเสื้อโดยว่ามีเหตุว่ามีผลหลวงพ่อก็ว่าให้มันบวแมนว่าตัวบุหิยของมคิดตัวเองอันนันนะเราไปนั่งหลับตาภาวานาว่าเฮ็ดดวงแก้วหรือแสงพระพุทธรูปหรือแสงอะไดก็ตามละเห็นพระพุทเจ้ามานี่ก็บวแมนแต่มันบวแมน่ น, น, นนะคือคนบุหิยของชีวิดมันเป็นอะไร คอยดูบ่เห็นผมคิดได้มันมันไหลไปทางผมคิดมันมันแลอกทาผมคิดนี่ตอนเราเราเอาชิบวเสื้อเ ด, ด็กตัวนี่ร็นด้กยจิดานแต่รู้ด้วยจิตเสื้อเขาบอาจักแล้วเลยเห็นหนังสือจับหนังสือออกมาแล้วขอจักเล่มแตอ่า น, นมาักมักอยากได้กลมหลุกพ้นอน า, น า, านาะว่าอันกลมหลุกพ้นนั่นมันไม่เป็นอังกันอันกลมหลุกพ้นเนี่ยมันเห็ดง่ายที่สุดและกระสบายที่สุดบอกแม่งคือว่าเจ้าหัวไอ้จัวยังเหตุได้บ่กแม่งอังกัน เดเล็ดเด็กน้อยเฮ็ดโบได้โบเมีนหนึ่งคนมาบวชเป็นข่าวเป็นซีที่จะเฮ็ดได้บบเมียนหนึน่ผู้เท่าผู้แก่กินเฮ็ดได้กับโบเมีนหรือคนไทยเฮ็ดได้คนจีนเฮ็ดโบได้กับโบเมีนมันต้องเฮ็ดได้เมื่ทุกคนคนไทยคนจีนฝรั่งเศสหรือฝลังอเมริกาหรือพลังอังกฤษหรือพลังเยนัมันคนลาคนคาเมนคนแคคคนอย่างเฮ็ดได้เมื่อคำว่าคนดุคนเนี่ย ผู้ใดมีความุดทนลแล้วสบายเป็นวาเป็นจ้าเป็นลูกก็ต้องหน้าที่ของลูกได้เป็นแม่ก็ทําหน้าที่ของแม่ได้เป็นพ่อก็ทําหน้าที่ของพ่อได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเมนรก็ทําหน้าที่ของเมนของครูบาอาจารย์ได้เป็นครูโรงเรียนไปสอนหนังสือก็สอนตามหน้าที่ได้เป็นตำรวจทหารเป็นผู้ใหญ่ บ, บ้านกำนันก็ทําหน้าที่ได้เมื่อทุกอย่ เป็นรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่ได้ือกันมั้แต่ว่ามีคนหนุนทนนี่มันสบายดังนั้นคนหนุน้นีนจึงว่ามันเป็นสมบัติของคนทั่วไปเลยโบแมนว่าถือศาสนาพุทธยัยงรู้ถือศาสนาชิตบารุโบแมนที่ว่าให้ฝังมือ้นี่ให้ซือว่าคนมีตามีมหูมีกายมีใจแล้วรู้มาทุกคนแต่ขอให้ปฏิบัติให้ถูกเท่านั้นเคยได้ยินว่าว่า ทำมีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึสติคมละลึกได้สองสัมปตาสัญญาคมรู้ตัวเคยได้ยินบ่เคยเรียนก็ไม่ได้บ่เนี่ยอันทําจํานวนนี่มีคามาที่สุดเอาเงินไปซื้อบอดายเงินลอยล้านพันล้านก็ซื้อบไดายมื่นล้านแปดน้านก็ซื้อบไดามันต้องทําเอนอันเนี่ยเมืเ่อเรามีสติคมระลึกได้มีสัมปตาสัญญาคมรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวอยู่เสมออันควมรู้ตัวนั่นแหละเพื่อนว่า มันจะไปไล่ควงโบลูหนีดังนั้นอันว่าทำที่หลุดพ้นนั่นมันก็มีอยู่แล้วแต่มันโบรู้มันบลูเพราะความความโบรูมันมีอยู่แต่ไปซอหควงโบลูเห็นบอสเห็นบ่วเห็นควรู้นี่ซอกเห็นบ่สเห็นมีรถมาเดียวกำมือขึ้นรูดสึกบอรู้สึกเอาควงโบลูยู่อใส่ฉันเทควงรู้ให้ท่านเปนโบลูฉันโบมีเนี่ยเอาต้องมีปัญญางั้นอย่าไปเสื้อควมครูบาอาจารย์แต่ผมว่าอยู่นี้กับโบให้เสื้อ ให้ใส่สติปัญญาพิจารณาจริงๆริ ง, รงนะอันพระวนองบุพนใะนปณิวลาเป็นจิตของพระเดียบุคคลหรือเป็นจิตของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นจิตของ พ, ะพรอองพะอรหันต์ก็ได้ินะ่อย น, นะบนเนี่ยอันวความบุพนในพโนวันจิตอุเพขาคำว่าจิตอุเกขานี่แปลว่าวางเซยเดี๋ยวนี้เนี่ยมู่ขาออกไม่ออกและพระทรงทรงเรนเขาจิตใจไปซะเดี๋ยวนี้นี่ยไม่เซยเซยยังบ่ ไปเฮ็ดมันบาหรือมันเป็นดวงกันมันเป็นเองอันเป็นเองนี่แสดงว่ามันมีอยู่แล้วตรงนั้นในผานมันมีอยู่แล้วเขาเลยไปซอกในพานัปเนี่ยไปยิงซอกเข้าไปแต่ยิงบ่เห็นเขาะฉะนั้นเนี่ยยิงหาก็ยิงไกลอันคนไปหาเอาแสงพระพุทธรูปหรือแสงดวงจันทร์แสงแก้วแสงอันไหที่คอยเกอดเนี่ยมันความเป็นบ่วมนี้ยิงซอกก็ยิงไกลอันนั้นควมันบ่วมนี้มื่นตาขึ้นกับบ่เห็น อันของมันมีนี่บอ่อยากเห็ุสอนได้บอ่อยากเอานางคนนั้นก็อาจจะบ่เอาหรือทเอากับบุ้จักแล้วาเาขอหนังสือไปเมื่อเนี้ยขอนสืไปอ่านอสิอ่านเนีต้องเบิ้งว่าคาพูดที่ซื้อหอ น, นังสือน่นะวะก็เลยถามเราอันนี้จากปีแล้วเจ้าวะอายุไ ด, ด้มันยี่สิบเก้าปีหรือล่าวะมึงคือว่าสิบเก้าปีน่พอเจ้าสอนเรื่องอะไรฮะจะก่อนนีจำได้บ่สีตอนนำดีะน แม่เจ้าสอนเรื่องอะไดให้เราสอนให้ทำดีสอนมือ้อใดจำได้บ่หวะจำบ่ได้คสนสอนคนนั่งหรือคนนอนกําลังคนนั่งอยู่เือนนั้นมือ้อใดจำได้บ่หวบ่งข้อเสียแ น, น่คนมีปัญญาโลโลดอันตำลา น, นั้นพร ะ, ระเจ้าตายไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบปียังไม่เขียนไว้คนจํานวนสี450่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบปีนี่อายุแปดสิบปีถ้าตายเกิดตายเกิดเรามาจี่จักรั่วโคคน 1> 8ปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยีี่แปดสี่สาสิสองแปดห้าสี่สิบห้าตัวคนเน่ยบอกันนี้พ่อพอสอนพ่อออกกันยังจำบ่ได้เด่นบอกอีนางคนนั่งก็เลยถามว่าจำได้บ่ได้ันนี้ พ, อพ่อปู้คุณน่ะสอนพ่อเจ้าขนาดและพอพ่อปู้วิธิมาสอนมามันห้าตัวโคตรคนแล้วนะมันคิดกับมีมันพูดกับมีแต่จเจ้าเพียงสี่สิบกว่าปีกันยังจำผมพ่อเจ้าไว้จะไปเสื้อไม่ยังเอากระดกระด้ออันตำรัดตาราน่แกว่าอย่าไปทำร้า ย, ยว่ะ เรียนมาแล้วอ่ะปริยาตีปริยาโทปริยาเอกเรียนมาแล้วเมื่อใดที่เอามาคิดเมื่อบอกเอามาคิดกะอันนั้นเป็นว่ากินข้าวเปืือกกินข้าวถังเปื้อกแต่เขานั้นนะเพิ่งบอให้กินข้าวเปืือกแต่อยากข้าวเปลือกกันทิ้มเป็นว่าตอนนั้นจริงกินข้าวสารได้บอกกินบัไหนกินข้าวสุกคป็อย่างแม่ใครกินข้าวเปลือกเม่ยไม่หยังแกเป็ดจะไก่ตัวหมูตัวหมาในกินข้าวเปลือกเนี่ย แต่นอย่างนั้นมดมันก็บอกินแนี่เขาเปลือกมันคนเอาเขาเปลือกไปไว้ปากโง่มันฮั่นมันก็คนเข้าไปไหนพมันกินเขา้าวสารตามันออกมาทิ้มดเป็นอย่งนั้นเป็นบอกเนี่ยเหตุอย่าง น, นั้นเพรนั้นเราจะต้องไปเข้าใจลึกเกินไปคาว่าความหลุดพ้นเนี่ยเป็นกิจวเตรฐา น, นนะบทต้องแปลงมันบทต้องไปว่าจังไหนให้มันแต่ว่าพวกเขามานี่จํานวนด่งน้อยก็ต้องพักด่วนนิ สาโลลูกทั้งหมดว่าวสาสิบเจ็ดลูกเป็นหนึ่ทงทังภาทั้งในแล้วกับแม่ขาวแม่ออกพอออกในี่ได้บาจาก2ี่สิบว่าคนเดี่ยนี่ได้แล้วรวมกันเขาสามสิบสี่สิบห้าสิบในเกณฑ์ห้าสิบกว่าคนหรือหกสิบคนเนี่ยเราก็ต้องฟังให้มันเป็นถ้าฟังว่าเป็นแล้วมันบูรณาประโยชน์ดังนั้นคนฟังเป็นนี่ก็เขาว่าคนสลาดคนสลาดจิงรู้ คนบดสลัดเนี่ยฝังแล้วก็ฟังขนาดจำเอาคำว่าซื่อๆเพราะว่าคนบดสลัดเป็นเออคนคนบดสลัดนีนคันว่าตรงๆกับเออว่าคนงโง่นั่นแล้วคนโง่ไม่คิดไม่จักไม่หยัง่งดังนั้ น, นคนโง่ที่ไปจูงคนสลัดมันจูงบ่ได้คนสลัดมันต้องจูงคนโง่ได้เด็ดเดี่ยวดังนั้นคุบาร์จานว้าก็จะไปเชื่อหมดแทด้ให้ทดลองให้ทดลองเมื่อพูดจย่างนี้แล้อยากเป็นคนดีนะป่ะเนี่ยอยากเป็นคนดีต้องฝังขมพ่อขมแม่ ความครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วต้องเอาความพ่อความแม่ควงมครูบาอาจารย์สั่งสอนมาพิจารณาอีกสิบเท่านึงกั็นหม่อยเมื่อผูดจังซีแล้วกับจีว้าวนี่ทานให้เขาออกกับหมู่พระทรงคงเลนหองฟังอีกสิบเท่า น, นึงแล้วนำไปพิจารณาต่ออีกสิบเท่า น, นึงคาว่าคนฟังความพ่อความแม่ฟังคงาครูบาอาจารย์นี่เป็นคนดีได้จังไดมันดีได้เพราะมีทานเรื่องนี้พอไว้สังแต่น้อย มีมากมี ต, มกกต้นหนักบกต้นนึ่นงวะท่านในข่ า, า, าวผูนว้นุ่มผู้น้อยฟังให้มันมมกกเออต็นมในข่าวเห็นปะคันฟังโมเป็นได้บมเต็มหาได้จะไปหัวซื้อในขาวนี่ให้จำให้มันดีมีมักบกเออมีต้นหนักบกต้นนึ่งมันล่นลงมาพ่กมีที่อาศัยที่บังมันโตหมูโตค ว, วงโตสานมากินเม็ดด้วยนึงมันตกไปแสดงว่ามันตกเสีเยเลยว่างเพิพ่มพีดวะท่นเพิ่มพีดเงี้ยสละไม่ตกเรไปยุค ข, ข้นคุณมักบกอันนั้นวันนี้ มักบกมันหมึดเป็นแน่หมึดสุดเหมันกับมืดหมูตัวงฟานไปเบอร์ยังไงไปเฮตุแต่มักบกเงื้ยนั่นแหละมันเลือดเลือกคนกินเลือกสัดกินมันนี้ให้จันใดจะได้กินมักบกตัวนี้เนาะเมื่อดีน่าชนิดสิ่งที่มันมีปัญญาบ่ได้กินตัวอ่างตัฟานโตัวหมูตัวมันบัมีปัญญามันก็ไ่ได้กินบัดนี้มีหมูตัวนึงมันมีปัญญามเป็นหมูเจ้าเทือนนะสังฆะวัลพอไว้เจเทือนหนองน้อยู่ใส่มันเก็จักมดหมูตัวนั้น น้ำมันเลือดยิ่งแต่มันเข้าจักมันจะหากกุ้มใกล้วันนี้มันก็มีอย่างกินวัดเบิ่องมักบกต้นกับยูฮันมันแท่งมักบกวันนี้กับมือเศร้ามันก็ไปอมเอาน้ํำพุ่นมามาวางใต่เทือกหินมาขี้มันเจ็ดน้ําได้ที่เอาไปอมหินเอออมน้ามาวางใส่มากเทือกหินน่ะน้ำมันไหลลงไปมักขึ้นตะบกมันก็ฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นมาสันหลายมือมันอมมาใส่พอเด่มักบกมันแปลนขึ้นมาแล้วมันนําสูขึ้นมานี่คล้ายๆคือ ขันคือโอห้อยองอยู่น้ำเนี่ยมันขึ้นมาวุดงวิ่เพิอบหินก็บอกออกจากมหินได้แต่หินฟ้องเนี่หมูจะไม่ได้กินกันเลยอันนี้มันเป็นความสอนให้คนรู้ให้คนมีปัญญาพอสอนเสรเจจะก่อนพ่อโบได้ว่าให้ฟังนอกว่าไม่น้อยคน ว, ว่าอันนี้แหละคนอยากเป็นคนดีต้องรู้จักใช้แต่ปัญญาคําว่าเทิบหินนั้น่นคือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้อยู่ในความปกครองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบ า, าอบาจารย์่าซึ่งนั้นมันบูดีว่ากัน เอาต้องพิจารณาสกปรกมันดีกัดกลับมาถามเพระอิศวรนื้มันมีเหตุในผลสมมุติถ้าไม่ข่าวนี่ก็คือการนึงว่าหนูเห็ุนั้นมันเป็นอย่างไนแล้วพ่อแม่ว่าจังไดครูบาอาจารย์ว่าใช่มันดีบอสบางทีเพื่อนอาจจะเห็นว่ามันบูนดีก็ได้บางทีมันดีแท้แท้เพื่อนอาจจะว่าเห็นดีก็ได้มันเป็นอย่างไร น, นี้คือตัองควรมันดีเพื่อนจักวใจสมัยนี้ไปดูหนังกันพ่อแม่หาบุกฟังไม่ได้เนี่ ย, ย, ยคือบุกฟังของพ่อคนแม่บุกฟังของครูบาอาจารย์อั น, นเนี้ย ไปเล่นการทานนั้นบุรีบ่นเนี้ยต้องก็ห้ามผักเหตุอันนี้ถือว่าใส่คมคิดตัวเองบ่ได้ที่จาตัวเองเพคนห้ามบอให้ไปดูหนังหัวไปเที่ยวเมื่อค่ำเมื่อคืนบอว่าไปเล่นการทา น, นั้นอย่าไปควบคนณซัวคนสอนอย่างนั้นอย่าไปกินหลายสนนคนที่เป็นเศซตีได้คนน่ารู้จักประหยัดเก็บน้อยปะสมให้มากขึ้นคนเป็นเศซตีได้พอใส่มากบ่มีคนเป็นเซตีได้พอความคีดเกียจเี่ค้านบ่เี่ยไม่เป็น คนเป็นเสพสิได้เพราะมีความขยันขันแข็งเก็บน้อยประสมให้มากรักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองไม่เพื่ออยัางลักเหมือนลักทองลักหน้าที่การงานเป็นว่ารักตัวเองเนี่ยต้องรักหน้าที่การงานเนียเกิดเป็นคนมาต้องทําการทํางานนี่ยเมื่อทำการทํางานบ่อใดมันต้องทําการทํางานตามหน้าที่เป็นว่าอย่างกันย์ยังให้รักตัวเองเมื่อรักตัวเองก็ลักหมูอเป็นว่าทําไมว่ารักตัวเองแล้วรักหมือกันเขารักตัวเขาก็ลักมู่แล้ว มูกับมีสิทมีใจคือเห่านี่ยักมูกให้ยังไงเนี่ยยก็รักตัวเห่านี่แล้วลักตัวเห่าให้จังไงบดตัวมูบดลักของมูบดดาบมูก็ลักตัวเ ห, วหาเนี่มื่อนี่เขาบดลักของมูมู่ะไม่รกมกมกมักของเหบาบ่แต่ว่าบดเนี่ยในสมัยเนี่ยน้องเ <c oughs> <c oughs> น่ยบอกขันเอาทองคํามาวางไว้ถนนนั้นแล้วเจ้าของไปได้ยังคนอื่นเขาเอาไปได้เดี๋ยวนี่ยบดเสมอไปถ้าหาคนมีสิทธิ์มีธรรมแล้วก็เอาเป็น <c oughs> อันนี้เรื่องนี้ก็เลยที่เล่าดิธานให้ฟัง อเนี่พ่อไว้ฟังอันนี้แต่เมื่อยังน้อยเนี่ยพ่อเป็นเด็กน้อยมีน้องสายผู้หนึ่งไปน้ำกันเนี่ยเลือดเื่อมันสนุกยอกกันไปซกกันเตะกันไปเนี่ยให้เลือดเท่อน้องนี่มันฟ้องพอแต่พอโบกโบกขึ้นสีจักเถื่อเดี๋ยวเล่าเรืองอื่นเสียบเสียบให้ฟังเป็นว่าไอ้น้องกันนี่ไปนํากันในห้องแขระกันมาไม่ลําเดียวขาดมันคาดเป็นว่าเป็นเสียบเสียบคันไม้สามลำสี่ลานะขาดโบขาด พันน้ำบอ่อคาดกันอ้น้องคือกันทั้งที่ฮักที่สั่งกันกะเพื่อ ก, กันบ่ได้กันเป็นวันเงือนกับพาปั่นน้ำกันเอาไม่คีตน้ำบ่ดีหอยกันเป็นวอนให้สั่งหลายเรื่องพทว่าให้สั่งจำบ่ได้เมื่อเราะวบบปล่อยคว้ยออกจากแรงไปนำคว้ยไปกินง้าไปลายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นวนันแต่เมื่อแรงป้องคุ้ยมาคว้ยบ่ามามันกินง้ามันสนุกไปคุ้ยอ่ะทำแล้วจับคุ้ยมัดไว้ในป่า นอนในป่าเลยเอกกวเลยมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่ๆก่นนอนหันเลยกุ้ยก็นอนหันคนก็นอนหันสองพี่น้องเอานะบัดนี้ผู้ี่สายบรรยานนอนบ่หลับไงมันคิดเรู่ใงคุอ่งผู้น้อยมันนอนมับ่คิดนอนกัหลับรถผู้น้องเนี่ยหัวแทดหมอนมันก็จิหลักรถแต่คืนน่ะหัวแท้ดีกันหลับรถหลับคนซอสซอสอยู่ผู้พิสายนี่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันคิดไปบ่หลับเสือนัดลำมามันมีเสือในดงนะคนบุญนี่แขนขอกกับบ่ยากเลย คนบาปมี่แขนฟ้ากับทกินนี่มันล้ำมาเสือล้ำมาโมเขาบอกเขาเองผูพเพศชายนี่มันนอนบนหลังปีนขึ้นต้นไม้เลยไปนอนอยู่งาไม้สูงตู้งคุณละ่ะเสือมันกระลำมาคนบุญนี่แนขนคอกระบยียกคนบาปนี่แขนฟ้ากับทีกินล้ำมามาฮอดคนมันกับมาดมผู้น้องสายฮันสู้สู้จื่อมันบวกินคนบุญบันนี้มั น, กก น, น, น, น, น, นงแงหน้าขึ้นไปต้นไม้คุณแสงตาเสือคือแสงไฟแสง สายเขานี่ยภาพขึ้นไปมันไปต้องแสงตามันจะนื่ตกใจใจมันซอกขึ้นวางลงวางกิ่งไม่เลยวางงามันตกลงมาขี้เหร่ลูกนึ้เสือตะคุปปินจ้อยเสมอท่านนี่คนบ้ากันไป็นท่านพอว่าให้ฟังแล่วน้องบูหักน้องนั่เป็นวันที่ไปใส่ก็เอาน้องไปนํางินเป็นสอนอันนี้เป็นว่าให้หักให้แถนกันแกข่มจริงอันนั้นถูกน่อยพอเมื่อได้เกิดว่มลูกว่มเห็นเข้าใจเรียกูุกยุคของภาวะก็ได้ให้หักให้แถนกันทูกยุค กโตกับฮักมู้ฮักมู้กับฮักโตเน่ยแม่นคนควขมจรคนบุญนี่แขนคอกระเบียากคนบาปนี่แถนฟ้ากับทีกินนั้นคนบุญเนี่ยเขาไปสวนผักสวนมะตแมืงสวนมกเดียงกระตำซ่างและมะพริกมะเขือเกลือปลา่าของมูก้กระตำซ่างเขาไปสวนผักสวน แ, ตแปตงข้าเจ้ามะกคิกมะเขือตํามือกระบออื้องคนบุญเนี่ยเพราะมันคืบถึงมาจิตใจของมู้กับจิตใจของเฮามู้เอาของเฮาเฮาก็เสียใจเฮาเอาของมู้ก็เสียใจมันคิดอย่างนั้น คนบุญตัอคนบุญนี่แขวนคอกับโยากมาแควนยกคอนี่กับโบยากคนว่าเสือพอดคอเสืออยู่กับโบยักกินนี่อันนี้กับพราแสดงว่าเหายางไปมักพิษมักเขือมักแตงนางยังต่ำเมื่อยุตุกตักสึกตักับโบยักเนี่คนบุญมันรู้จักกันคนบาสนี่แขนฟ้ากระซิกินกันก็คือตัวเสือเนี่ยตัมาบุกก็คือคนขึ้นต้นไม้ตัมาบุกกินนดแสดงว่าคนบาสนี่มัมีศิทธิ์มีธรรมบวชหักหมู่บวชหักตัวเองเข้าไปเห็นมักพิษมักเขือ หักเต้าหมักแตงของผู้ใดก็จ้องย อ, อยู่หันหละง่อยจะกิลักเขาไปมือนี้โบได้เพรเจ้าของขอเขาจะอยู่หันมือหน้าไปลักเอารหลดคอยลักากาบผลบาสนี่โบดียู้ใส่ทําคมเดือดร้อนให้หมูบ่ามากกัน้อยคนบ่มีสิทธ์บ่มีธรรมนี่เดือดร้อนเพยากสอนให้คนมีสิทมีธรรมอันนี้เป็นหลักษณะของคนบุลมุลลานสอนดังนั้นคนนี่เห็นเขาข้างตัวทางนั้นเมื่ออยากได้ของหมูเอาโหลดในเขาข้างตัวได้นี่ อย่าสูเหตุต่งกันพวกเขาต้องหลักหมู่หลักเพื่อนยู่ใส่มีความสนุกสนานไปถ้าหากคนไมรู้จักอังสันแล้วก็บม่มีสิบธิ์ไม่มบ้านเมืองเดือดร้อนพูดถึงเรื่องในทางก็กิะว่าในฐานต่อไปอีกซึ่บทหนึ่ ง, งพอเราให้สั่งสินนี้บนเม้นว่ากำนดขึ้นมาเมื่อนี้ได้สินนี่เป็นเรื่องของคนป้าพอเราให้สังคนป้าท่านนป้านี่อยู่ในป้าเขาไม่มีหมักแลงหัวเขาว่าท่นแล่นไปตอกๆอกไป ไปชนเอาเอาตีนเขานี้ไปเตะเพื่อเขาหรือไปเตะสะดุดอาจจะล้มปุ๊บหล่นแล้วลุกขึ้นบ่ได้บางคนตาต้องขานไปเตะต้นไม้ขึ้นอย่างลุกได้พันลุกได้วแล่แลนซับซับไปโดนกันเดีวตัคลายๆคือคนเดียวนี้คนเดียวน้ย่างตามถนนคนทางย่างซาบ่ได้ย่างไว้เป็นอย่างนั้นแล้วมันย่างซาบ่ได้เพราะอย่างหุ่นพิว่าไปตรงๆว่าข้าเจ้าใจเกือบพ้นสูงๆนี่มันมันชีวมวลดวนแตนะ่ละ ยากกับโบได้ว่าเขาเจ้าดองเรื่องของเขาเจ้านี่ยแดนต๊กตอไปมันยันไปเด็กกนสูงๆ่ะแล้วมาดีแค่มนจังข้อหงซี่หลักข้าเห็ดสอบเห็นแต่สอบเบื่องข้าวยางเล็ไม่จังไลยนาะว่ายางข้ามถนนยางเรียบแดนต๊กตอไปหลดคนป้านี่แสดงว่าคนโบรูเดี๋ยวไม่คนอยู่ในป้านั่นเองอันนี้แสดงว่าเองอันเนี้ยพอลองให้ฟังมีสิ่งที่ข้อสุ่นั่นไปยุ่ด้วยกันมันย่านผีคนสมัยนั้นยันฝนตกฟางห้อง ตัวคนตกฟ้าล้มให้วันใดๆฟ้าห้องแผ่นดินไหวฟูเข้าไประเบิดตัวภัยธรรมชาติมันจะกลัวมั้งไม่มีที่เพิ่งอยู่ในป้าเพิ่ง ว, วันตอนนี้ไปดูดงกันสมมุติเจดคนตั้งความมั่นสัญญากันไยหบ่วให้รักของกันสองว่ให้ร่วงเกินตัวภัยเมียเราลุกภัยลุกเราสามว่ให้ตือนกันคือบ่าให้กนหินเครื่องเมาเครื่องมือนเมาหนึ่งสัญญากันกันนะ เพื่อใดเหตุผิดซี้ขอดีไล่หนีไว้ อ, อยู่นํากันบัด น, นี้อยู่มาฝนตกฟ้าหองมาแล้วไปเก็บหมากไม้มันกินหมากไม้ได้คนสมัยนั้นโบนได้มีไฟมีอย่างนี้หาจับจัดกินในป่าโบาจักการทำํำฝนทําไฟนี้นะฝนตกมาแล้วตกข้างตัวเรงไปหากิานได้หมากไม้บนบันดีไปสวยเลยบถ่ันข้างดีกินมดเหมืกันกลับมามาคิกว่าจะมากินหมากไม้ที่เจ้าของเก็บมาได้จากก้อนคนเอาไว้นํากระซ่ากระบุงไใ้นาที่นับที่นอน มาหอนอีตาคนนั้นโไปในหมู่กินของหมู่มดหลายเพธอจะไปซอมบันยักษ์เห็นผีเนี่ยคนยักษ์เห็นผีเพราะมันกลัวผีของยักษ์เห็นผีบ้านนี้ก็ยู่งามกันเข้าคนอิสาคนที่ศิษที่คานยู่งามกันและบ้านนี้ก็เข้าคนก็ยืนงามกันไปแปะคนไปหา ก, กินเอามาเพื่อพูดกินเห็นอิสาคนนั้นพอดีมุ่กไปเลยอิสาคนนั้นก่อนไปเอาของหมู่อิสาคนได้เข้าจอบอยู่ไกลมองอยู่นําพุ่มนําหย่อ น, นไว้อิสาที่สิษย์มันเห็นไปกินของหมู่ ก็มาว่าห้หมู่ฝังอีตาคนนี้เนี่ยลกักทีของเขาทั้ขนามาตกเตียงกัยจายนทั้งเก้าคนเห็นมัตสุคนเนี่ยพี่อ่ะพี่คือคนพูดั่วทาชั่ ว, วคิดชั่วเขาเห็นทีจากเชื่อ บ, อบอเอเอ่เห็นจาเชื่อแนี่ยเห็นสีจากเชื่อบ่อบอเห็นเจื่คือพี่จริงบ่ี่นั่คือคนทาชั่วพูดชั่วคือที่แท้ๆคณะคนพูดนุ่มพูดตายเขว่าอ้นี่คือพีแ่แท้ๆถวะมันไม่เป็ตัวี่มันคือที่ขนาแม่ข่าวได้บันเนียว์มาไม่ข่าวไม่ข่าวเขาคิดว่าคือพี่จริงบ่ ไม่ว่าอยางไหนคือทีนะครับบนนี้ตัวผีเป็นมนต์เนี่ยคือผีห้านี่ก็คือผีแบบเนี้ยเนี่ยผีมันมันมัมีส่วนบนนี้ตัวมัพอจะคือซื้อเนี่ยเนี่ยผีโละการทาตัวพูดตัวว่าวมมีหลักมันมีเกณฑเขาก็ไล่นีเลยไล่นีไปยุ่งในหมู่บไปยู่ในป้ายุ่งในหมู่บ้ไร่แบบเนี้ยมันฝนตกฟ้าห้องแทนยินไว้พูดเขาไประเบิดขึ้นมาย่านแล้วก็เลยรับสารภาพ มาแสดงความบริส <emergen optic ming> ุทธิ์มขอยูนโม่แสดงว่าอันนี้เป็นกฎหมายหลักโทษให้อภัยดังนั้นคนผานใเวาแล้วทําผิดบักบันบิดมีลูกจากคนผิดแล้วก็รับสาภาพทันทีรับผิดยอมบริสุทธิ์บวชบันเป็นว้อย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นคนที่ซองมาบันเนียบอกว่าลูกไพรเนียไพรล้ะล่วงเกินอยากเฮ็ดจนอยากเฮ็ดไปเอาว่าให้ไรนี้ไปยกคนเดียกกับบได้อีเติมมุจักว่าสํานึกตัวทําผิดแล้วกลับมารับสารภาพขอยูนโม่ มุกจะให้อภัยอีกตื่นบวชเหตุบ่ชทาต่อไปคนที่สี่คนที่สามนี่ไปหั่นก็เห็นอันนั้นไปใหน้นี่ก็เห็นให้ตู้เอามูอบ่อนี้เอามูอไปเบิงเบ่งแล้วบวเห็นมันเสียการเสียงงานอีตานนี้บุญยังไรนี้รับตสารภาพม า, ย อ, มาอยู่ในมือมุกให้โยบ้า น, นี้เครื่องดองของเมาเนี่ยตามปกติฝนตกมันไปคลอนอยู่ที่ลุมนม้ำยกหมู่อันนี้ก็ไปกินหั่นหรือใบ ไ, ไม้ก็ไหลไปหวมหัน่น มันไปกินอันใดมันก็ไปกินฮั่นใบมากไม่มักกอกไปกินมันไปกินกับเมาเมาแล้วพากันก้อนสนุกเฮหาอย่าผู้ลูกผู้เมียอยู่บ้านนี่กับโมได้กินแล้วของห่ากินนักขั่วเนี่ยไปหากินเลยแล้วก็นอนนอนตื่นแล้วกับผู้บ่มีเนี่ก็เลยแบมือเป่ามาผู้เมียก็เลยมาตกลงกันบืเฮ็ดบันเนี่เครื่องดองของเมาซีนในมันเสียการเสียงานเลยอันนี้เขาเป็นสินทร์สิบอกผู้บ่มีว่าผู้นั้นบัญญัติแล้คนต้าบัญญัติเขายังไ่รู้จักเป็นเลสิน สิเหล่นี้บทเรีนสิ่งพระพุทธเจ้าบัญญัตินนออแล้วท่นพอเน่ยพอเราให้ฟังเนี่ยเขออยาก็นสิ่คนป้าดัางนั้นเขาต้องเรียกจากว่าคนป้าเนี่มันพัฒนามาจากเลีง้งคนนี้พัฒนามาจากเลีง้งพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนมาเป็นมนุษย์ควรศึกษาควรให้รู้เรื่องเพี้นถ้าบ่รู้อย่างนีนะ้มันเสียสีได้เหรให้รูจ้จักอันส้วนปานานี่แทะอันนี้แค่บ้เข้าจักเนี่ยพอเราให้ฟังมปานานี้อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าจบัญญัติกระบอกคนเรานัออ่นเขาได้เรียกเรื่องวัตถินขออเขาเซื่อง เขาว่าคือผีอเนี่ยเทวดาเนี่คกับผู้ใดดีแล้วก็เออเทวดาซื่อคือเทวดาที่บุตรเป็นตัวเทวดาผู้ใดเคยเห็นเทวดาได้อยู่นรือไม่เคยเห็นเลยหบดถ้าว่าขันคนใดคนดีคนงามเนี่ยเอนคือเทวดาเลยหมดเออผีกับเทวดาได้คือกันขันผู้ใดทำตัวพูดตัวเขาว่าคือผีขันผู้ชายเขาว่าไอ้าผีขันผู้หญิงเขาว่านางนี่คือผีขันพระเนรบุดีเขาจะว่าคือผีคือกันนั่นแหละขันผู้ใดดีนี่เขาว่าโอ้ยนางนี้เท้า น, นี่คือเทวดา ท่านเองก็คือเทวดาคือกันเนี่ยอันนั้นมันสมมุติให้จักสมมุติขันโมกจักสมมุติในบ่อใดเงินก็สมมุติเอาให้เข้าใจอย่างเี่วแต่โูกจักหน้าที่ให ส, สมมุติให้ถูกเงินเนี่ยมันเป็นโลหะหน้านี้เป็นลูกคนหน้านี่เป็นหฮบท่าษาสตร์ยังหูเราเห็นอยู่ในโฮบมั้งนะแอาไปไสทั้งสองหน้านี่ไสเป็นเงินมดเหรียญห้าบ้า ก, กับไปไสเป็นเงินคือกันมัดแต่หาให้คขาต่างกันกับเบ็ดนึงเท่านั้นที่สี่กระดาษบ้านเนี่ย เป็นเพียงเฮ็ดรูปมาหลสมเป็นมัดเงินนะจังหวะเป็นเงินถ้าหมดอายุแล้วเลิกใส้จต่หมดเท่านั้นเงินทองคือการมดเฮ็ดเงินกิ น, ด, นดานกันทั้งมดให้รู้จักหน้าซื้อใส่ตามสมมุติให้เป็นหบบาหาบ่อใส่สมมุติเป็นบาา่อใดมือแรงนี่เนี่ยพระหมาในีสององค์มาถามมาขอซื้อหนังสือว่กันมาขอซื้อว่าเล่นเท่าใดกันโอ้อยจะซื้อไปถามซื้อว่าหันมีอแล้วเอามาพิทียนํากันลงคุณิทียนํากันหมดแล้วในหนังสือก็ได้ว่า แล้วกลันมากรับพุณนึกกลับมาขอคุณธนึกกลับมาขอแล้วก็กพว ก, ม, พว ก, ม, วกมีคนพิมพ์ตแล้ววาขอมาขอซอาซื้อเนี่ยพวกเอาไปกับบางคนเอาไปขายแล้วก็ถามาเล่นเราเท่าใดเนี่ผนี่กควิจเป็นเม่นมันสี่บาทเรือห้าบาทคนลนเด้อวาเอาที่ให้เขาไปาวเะ เ, เนี๋ ย, ยให้หนังสือเลียงเมื่อกี้เนี่ย่่เขาหลุดหนัเลี้ยงห้าสิบาทเป็นบ่อห้าสบาทให้นังสือห้าเล่มเอาแล้วต่อไปนเนี่ยว่ทำบพอยังมาเอาซื้อวะว่าให้เ้าไป่นี่แหละคนต้องรู้จักช่วยกัน หากจเอาเจ้าของเพื่อนไปของตัวมันโบได้มันหมดเป็นเพรจากของมู่แล้วเพราะจากของเอาช่วยกันสนับสนุนช่วยกันหลักพุทธศาสนานี้จะเจริญ ง, งอกงามแม้ก็ต้องรู้จักติดใจของกันและกันเพิงกันอาศัยกันถ้าหากรู้จกักเอาแล้วเท่านั้นดังนั้นคนที่ดีต้องอาศัยกันฟังควมพอ่อควมแม่ความครบารอาจารย์ถ้าบอกฟังควมพอ่อควมแม่ความครบารอาจารย์แล้วเป็นคนดื้อคนด้านเป็นคนลั่นเขาเอื้นอันทับ Thank mm -hmm. you. Thank you. เราดูงเสนอเราะสามาที a a train, the ่ได so ้หนไ้เข้าไปได้สิ่งที่ดีตัวที่ให้ตัวใตัวห้ในันคือเขาไม่ได้พิจตาเนียเ็นมืลีย่ใจนี้เขาเลยเฮ็ดระสามทาลมคือไปชอบมันชอบยังไงเขาเฮ็ดไปทาไปเมื่อเฮ็ดไปทาไปมังเลยเป็นคนทฮกดเวงเดือดร้อน ิ ข, ขึ้นมาใ้แกของผูได้รับใร้เองเป็นคนรับส่วนนึกให้สั่งเอา ค, คนกินขนาด้ส่วนอะไรทุกมากที่สุดละมนลานจิตทรมานใจเนี่ยแค่คนบางคนที่เกอกเคยได้คิดนนมันจได้คิกันความหมาเป็นผู้ทให้เดถ้าหากเป็นคนเลวเป็นคนชัว พ่อแามา่ไม่ามานใสมากที่สุดยิ่งก็ตกนรกอีกสันนรกตกนรกยึดติดคุกจิตารางยังมียังมีลังออกเ็นยามันจะติดคุกจิตารางโคตรกาหนดว่าขับไล่ออกมาลุกทาซวงยิ่งลุกไปดูมีพอม่ทรามา น, านใจนีนบบนม่อมีหลังสนอนกระเบื้องชินกระบื้องเตะเล่นเฮนไปคอยก็มีคนจองต้้งหน้าแล้วกั ญาติผวาสเส ม, เเมอติตใเมื่องใหเมื่อดจะคิดเขาก็องพยายามสร้างตัวให้บรรลุลูกทันทดีลูกเย็นเป็นสุข้อแม่ก็สบายใจเราสร้าเมือสวรางให้พอให้แม่ขวานเอาเลงเฮนไปมีผู้ถามภาวนาะเมื่อมีผู้ถามว่าลูกจะไปอย่ า, านั้นวนาอย่างี้่อแม่สบายใจสมมติเอามาม่นอนี่เขาเอง ถ้าสอบรายได้คนนึกว่าเรียนต่อมึงต่อสองหรือเท่าใดก็ตามหมดสอบรายได้เขาสบายใจถ้าสบายใจแล้วพอไหมหากสบายใจถ้าสอบรายรยได้เนี่ยเขาดีใจว่าเขาดีใจแล้วมันเขาไม่ด้ใจพอไหมถ้าเราเกิดดีใจมันจะทำเครื่องพูเื่องคิดเครื่องยนหาญยุทจักรเขาะเบงตื่นดับดันก็ตามจะมีพลีขายใจนันเขาจะเบ่งเขาจะเบ่งไปไกล เราเด้งมาตัวเขาไม่เป็นยังไงยงที่ทำไปเรื่อยมันไม่แสดงมผลพุกมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นตัวเขาเรื่อมันผลเดือดร้อนมาให้ตัวขอเรื่อยเราจะเอาผลทุกผลเดือด้นี้มาตัดและหยุดเดินให้เรให้เราหยุให้อาหัวองเขื่อให้โมตานาอาเพื่อนบ้านเขาเป็นทุกข์ประจันตังปัดถ้ามาคนดูตัณหาตาดหดูตาดหมายถึงเดง เรืบบ่บบอคนดูเป็นองคนซื้อว่าเป็นไคนที่ซื้อคนที่โดนอย่าไปพูดยางเขาหูดีฟังด้วยคนไม่พูดดูนีไม่มีจะพูดี่ซื้อไม่ทำดีด้วยต้องดึงต้องจับเพราะฉะนั้นคนหูดีตาดีมีติปัญญาสร้างมาทุจริตตัอตั้งไรคนไปจับเงินทุกริอย่างนี้คนหูดีว่าทำไมฟังทำไมอทางเสียงเท่มิ่งฟังเสียงหมอลำ ควาออันนั้นไม่เป็เหวดีจังคจเหมันว่าเหวดูฟังคำว่าสำโมังคำสอนของพ่อของแม่ด้วยฟังคำสอนของคุณยายด้วยหรือที่สุฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าขา่าได้เ็นเรเ่องการเป็นดีดีจริงอันทีหดีน่ยฟังคำสอนของพ่อของแม่ฟังคาสอของคุณยายด้วยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นเป็นเหอดีคนตาดูแบบนคนตาดูแบบทหารสมัยน้ตาดูแบบเบ่งสีน แล้วคนันเสื่อมคนนี้รวคนนี้จนมันไปตาดีกันมันเลตาดียุไงลึกคนมันงามอ่ะนั้นหาหน้าหาตาดีแบบหารลหาชื่อสวยงานดีเสี้ยคาทมันเสื่อมไปตาดีกันถึมันเลตาดีเบ้อนค่ะพี่คนตาดีมันต้องเบ้องนค่ะพี่จิตใจกำลังคิดอะไดอบ่มืมือมันกาลังฮักําลังังมข่าดยอพอใจยังไงสก็พอใจยังไดหน่ตาดีมันก็มาเบื้องใ คนตาดูหรือเป็นพอเป็นเมยเป็นไอเป็นนอนหายพื้นเป็นโตหายดูนี่นั่คนตาดูดังนั้นตาดูมันมีหลายแบบหลายอย่างคำนั้นดูจะเล็กทีซึ่งการปฏิบัติทางกระทนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นกระดาษตาเป็นเห็นตาเมียอันเห็นตาเมยนเียคือตสติตัวปัญญามองเจาทะลุเป็นดจคนเมื่อาไปเห็นคนนั้นคนนี้ หากเพื่อหาใจ้วหายใจทางบริเวณที่ตาดีใจมันกำลังคิดทัอะไาด้วยเห็นรู้เข้าใจดันนั้ทมาที่นี่ทามาฝึกหัดมาใสิกดังจ่าลรออาไปเครื่อนซึ่เป็นเครื่องสักเจนไปเข้นเฮ็ดเข้มทำด้วยหด้วยเ็ดมันอายนเข้มไม่อาจใสเป็นายไหมคายือด้วมันละเดมันน้อยลงมันแตกไปจนม่ศทายกเป็นที่เกียจี้หัน คนไม่สีัทธาคนคิเี่ยามัเหมือนกรไหมันแบได้ทุกขนี่ยมาคนไม่สรัทาคนขยันมันเลื่อจะเบือกข์เข่ทุกข์ได้มเอันนี้บว่ามันเอื้อไม่คุยพอเลื่อไปปฏิบัติธรรมะขามันถ้งยี่สามคนโยมห้าคนปฏิบัติมือจะิ่ยกันเพราะมันเบื่อคือกันเป็นโยกันยัไงคนเลื่อมากในอันนี้ เรื่องแต่ละคู่มือเราะเป็นทุกคู่มืเนี่ยให้แต่ละมือเป็นคนรักกันชอบใจกันให้ละมืเข้าหึงอ้อนมือกันแบ่งเครื่องกินกป็นอะไรหนี้มีน้อยกันให้กับทานอะไรกันชอบพอกันเรื่องะปฏิบัติธรรมะกับไปเตรียมพูดส่วนตัวุยยังไงคนมองเห็นว่าแต่ละมือมีอะไรเรืองหนึ่อดูเห็นว่าละมือมารับงนี้มีจะกจั่งติดแต่ละมือมีจักจั มาเที่ยวสองเที่ผมกม่ไปหาสามเที่ยวพวกเรนี่ือทเที่ยวนะไ้น ห, ะนนหนังบด้เงิ้ทหาเียตักกต่านหนึ่งลนคนไม่ได้เห็นตัวหอะไรไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นตัวหากำลังคิดยุ่งว่าอยากไปข้างหาน้ามอาไม่ได้เห็นตัวหรือบางที่เห็นมันก็ไปตามอารมณ์ะันก็ป น, นคนคิดยังทพทะเคยเบือดเรียนเขียน้านนี่ได้คำคนจริงไตใส่เงียใส่เงินแอกว่าอยากกินง่ายแต่เที่ยงการคืน หล้วเล่นําทนั้นจะไปทำกิจกรรมมาด้านมเื่องในคณะบ่จนี่ยแสดงตัวอนเดียักที่ต้องสร้ตัวเองจะยืมกับเขาขาว่าเบื่อถอยดักึงกินไ้อันนั้นก็แสดงว่าคนเราเป็ซื้อแต่ไม่คนเห็นเราเป็นมันเป็นเ่าเ็นกับคนที่รู้มันผิดกันคนเ่าเป็นซื้อๆนี่มันเป็นแบบนี้ว่าอันนั้นเปนคนเกดดีอร่าซื้อๆเล่นอยู่ดีในตัวน ทำไมเจ้าก็ม่ดูในจิตเพะขอยเผอยู่เผอยู่นะเือไม่ปก <version> ินารเขาีจิยไหนะบางคนรุ่นมาครอภ่นอะไรร่ันทเี่กลางคืนชอดูการเล่นเป็นอยรเป็นามอะตย่อ่าบางทีพระกัตกผมไม่นเห็นหายแางไม่เ็นเลยถ้าไม่สอนม อยากไปใจังั้จะไปเถือเองอนให้ไเงถ้าขมานหามกินเี่ละเดยต้องหึแคลม่าเป็นวันจัดเถื่อถกเดยไม่คิดถึงกองเฉพาะบางทีบางนเนี่ยมันกหนะมันก็เป็นเบือสังเกตกินใยเอาขม้าอาตะขาเขมิกนไปเ้วอยกันย่างเอาขม้าเอเบื่อมันก็น้แล้วก็จะจัดมอบั้งมันก็เป็นกิเลสแต่รทำนั้นมันก็เป็นเรื่องยากเท่านั้นแสงว่า กิเลสเป็นแหงยุติะมันป็นแหงเหวินเห็นแงเหตุแล้วก็เไปสอนผู้อื่นมาให้หน้ากิเลสไปจังไหนกิเลสมันว่าเป็นตนว่าเป็นโตว่าคือมือว่คือมาว่คือตัเป็มตัให่มันมาเลื่อนมาจากการกิเลสีมันยื่อในจิตใจมันไม่ยื่จิตใจหรือยื่จิตใจแต่หันไปยื่อในจิตใจขณะยื้อจิตใจเดี๋นีึเอาเงิด้วันมันมามันมาเป็นขางข่าวมันคิดกขึ้นมาข่าวอย่างเหวิมันคิดลก ถ้ามาเขาเห็นเขาไม่เข้าใจอันนั้นเป็นงาทิกสูทิส่แป่เห็นไทยเป็นวายได้เมื่อออกกาออกก็เป็นทิกสู่ได้คำเหตุดังค่อมาแปลานี้ท่านทรงเ่นตาเหตุนั้นเป็นิกสู่ได้ดังคืปนวายทิสู่แปว่าเห็นไทยทิศสูกทิศสู่ตัวนี้มันลึลึกอันเขาไมัดเป็นทีศสู่โดยสมมติยนาเห็นต้นไม้มันก็เห็นเปือกเหมนก่อเห็นเปลือกนั่นก็ออาผาไปกัดเปลือกมันออกแล้วจะไปเห็นเมื่อไหม แล้วปเห็นก่เมื no er ่อจะปเห็นใจกางของม่อคงเมื่อเามันไได้เห็นมันคิดมันไได้เห็นแต่ดนคิดยุเอารลยบเมื่อเห่าจะเห็นได้แต่ล่วงเรื่องมันติดขัดั้มันคิดมันคิดมารุ่งของหหไม่เข้าใจมันก็เลยโยตัวคิดเมื่อเหาไปเึกหัดเอเาออกไปื้อสังคมทาการทางานยงเมื่อหาเมื่อบางก่อห่าเมื่อการพ้ะเดนเขาคือกัน มาตั้งคืนมาดูนี่มันก็ไม่มีเรื่องหรอกดูเหมือนดูมันุกซนะไม่ดูอวที่เมัอนดูกับคนมันไม่ดูมันมีคำว่ามันมีกฎเกาฑ์ให้ติแชร์เลยดิมันมีเลี้ยให้กินมันมีการทาําะารเล่นมันได้ออกไปซื้อสั่ ง, งคมมงม น, มนม่างการมันก็ม่ายครับนี้เขาเชิญแค่มา้าเอาคำาให้แค่มันไม่ได้เห็นได้แต่เนี่ยมันไม่ได้กินแตเล่นันเขา อ, อายาให้ซื้ออาจจให้กินเล่นเล่นกันเนั้น มันก็เฮ็ดไปเลยเพามันไม่ได้มองิตมองใเมื่อมอนจิดมงใจมันยเสมอลทีมออกไปนอกขึ้นตอนนั้นหนึเห็นน้รือที่ไม่เห็นกัไม่เข้าใาจที่ไม่เห็นล้วมันังเฮ็ดไปบางนีเป็นธาเป็นเลอยู่เนี่ยมันงเลไปด้นมันก็ีประโยชน์กันอื่นดีเปิดพูนีงเบียะปากว่าแรอสาเขาอื่นหนึ่ดเดินถมไปเห็นต่างเดต่างเหนะหมแกนผู้อื่นมันไห่เนไ ดีแต่ปากมากแล้วสอนเขาอื่นเลยมือดาบเดิมผลไปเยึกตนเองฝึกลมตน เ, น เ, น เ, นเงบ้างมนะั้งสอนคนอื่นได้เราต้องทาได้ก่ะนด้วเมื่อมอนคนอื่นได้เราต้องทาได้ก่อนม่เหมืนอนกันแล้วเมื่อทาได้จะไปสอนคนอื่นมันคิดรว่าเป็นเอื้อรูคนไป ด, ดูในตัวในตัวเรามีรู้ทำไมเนี่ยนให้ปึกตัวใหมันดูที่ว่านี่เด็ไม่รู้ที่วันนีนี่ใหญ่นี่วันที่สองซี่สี เมื่อติดตัวเฮาดีแล้วคนอื่นจะสบายเพราะ่ายคนอื่นตัวเฮานเหมือนลอกตัวเฮาอยู่นี่ม uh ันลอกอยู่ทุกท uh ้าท uh uh ุกเวนทุกว uh ันท uh ุกเวลาทุกวินาทีมันลอกอย่เงยานทุกดูตัวเฮานเห็นธรรมะจะไปเห็นนอกตัวเฮาารเห็นเสื้อก็จะไปเนอกตัวเฮาการเห็นคนดีก็จะไปเ็นนอกตัวให้เห็นตัวเฮาให้เห็นจิดเห็นใจอันนั้เห็นจิดเห็นใจนันกาว่าซื้อบางคน เพราะมือนเากันมานาเด้วยเพราะว่าก็ได้ยินมาในตำลักตำลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่อพราการทำทาจิตทางใจเรได้ยินอย่างันยูได้ยิพยามุขแล้วไมต้องฝึกไก่ฝึกกเลสเนันวลทีฝึกมากนวนวลทีฝึกมากัได้วะทีฝึมากกับุดมามามิาธิเทียันวันด้วมหาปัดตนมาที่แขงดีขาดูดิ้งด แบบ น, นี้มีคนที่ที่มาเนี่ยคุณบอกขาขาต้งหายยาวมาี่ยขาตั้งขาสูงหรือว่าขาหักหรือขาตั้าขาได้แรงงานใส่คนขาตั้งขายาวยางเกาะมามากเลยให้ขาตั our, ้งขายาวห้านใมานี้มหากษัตริย์เลยจาดเรื่อมารตะกนทีวดีแลดีนัดอีตาคนนี่มาเรื่องมันไป็ยังไงมามาอย่างนี้ก็ขากแลม่ดีแล้วเป็นขาห e them, so ้าน อันนี้คาเป็เนแบบคุกัน้าพ้อแรกก็คือกานสตนลูกอะต้องเป็นคนดูที่สอนลูกได้ถ้าพ้อแร่เป็นคนดูดูดดแลแสอนของกับเด็ดีคุยดงอญญาจารย์ก็คือกันถ้าคุยอาจารย์เป็นคนที่ดูแสอนลูกคิดเรื่องหากับคนดีเลยเพื่อาอาศัยยื่อหลายคนเห็นเป็นเยื่อแยบยลรอบรอบตัวเหาอันนี้รอบรอบตัวเราดูลแนี้มันคเป็นมิตใ เป็นมิตรใจมันก็เป็นสัมบ้านมันม า, าอาศัยต่างได้อยู่เมื่อฟังเมื่อการเห็นมันไมเหายมนต้อง่ยายามตรวจอมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ใ, ให้จัเคุณค่าทีนของความจริงการมาเกิดเป็นค น, ด ไ, นได้ยากไม่มนมาเกิดเป็นคนเนาะโดยที่ว่าม่มากิอได้ยงางไงธรามาไม่แ ม, ม่มาเมือ่อทขจันมีโลกมีตาบางคนพอ ม, มอตั้งคขึ้นมา แด้สงเดืองสาเดือนแท้งไปเลยได้เกิดเป็นคนตายแล้วคนได้เกิเป็นคนตาแล้วเสยตาแล้วคนเป็นงบางคนแม่เกิดออกมาแล้วรอดจากทรมนีออกมาข้างนอกเลยไปเม่อเมื er. ่อตอนน้ตาไปกันนี้เป็นที่จับหนึ่งคนบางคนเกิดมาได้ปีนึงสองปีหรือซี่ปีห้าปีตายไปเลยเป็นที่จับหนีิตนี้คือตัไง่เ็นจั บางคนเป็นนุ่งจนสางตายเด็กกว่านี้บางคนเป็นพอบ้านแม่เลี้นตาเตเดวานี้บางคนเท่าแท่อายุเจ็ดสิบแปดสิบตายเด็ว่ น, นี้ชีวิตไม่ไดยังมีราคาคนนี้จะ ม, มีราคาจังไรเป็นมาคนเกิดมาแล้ววันทำติถ้าหากได้เห็นชีวิตตัวเองนันชีวิตต้อมีราคาชีวิตเป็นหนักคนนีเรียกมานานๆก็คือกันวลารอ า, า, าตาก็ตามไ ถ้าหากได้เห็นชีวิตตัวเองแล้วการหยุรั้งเดียมันเกิดมาไม่เดียวแล้วมาเห็นชีวิตตัวเองเมืมืมันคิดมือใช้รูอทำมูอจกเอาชนะมันได้ดูเกือ่อมือประยุกต์เกเาาลื่อนะุดคนเกิดมาร้หลังจบิงๆนะเกิดขกิดมาไม่เดียวเลยและพ ม, มาคิดแบบนี้เป็นเกิดไม่ เ, มเดียวมันจะเห็นได้เห็นชีวิ มันเหมันกิกจักมันต้คิดคือมันก็คิดไปได้ดูนะมันกินทกจักรทุกยงเพื่ออุจระปาะมันก็ไปเสียวได้สิมาไม่บก็คือการหามานี่แหละมารามอาว่างสังแต่ก็เราเก็ได้ยินเ่เคยทาคนรู้สึกตัวแบบนี้เข้ามาโยนนี่นให้รู้สึกตัวเครื่อนไหวหึงโลกกายถายมก็ดเขารู้สึกจิตใจมันเลกมันคิดให้รู้สึกหาก็ุ้ตจารที่้ อันเคลืนไหวลูกขาใสัก้งก็ไปจิดใจไม่คิดเหอนกันรู้อันรู้จิตใจไม่คิดนไงดูเกลื่อมีประยชนันู้น่นเปบเลือดมาไม่เดือดแบบนี้ดัมาไม่เือมือไงไมอายุเก้าปีสิบปีสิปีมาเลือดที่นี่อาจรูไ้ันเกือที่แบั้นราาเป็นไน้นนี้ก็ต้องพยายามสิบปในะครัมากมา เป็นม um, ุเป็นสาวเป็นตาวน่าเข้าเลยโบเคยดูตัวอจบางคนมันควรเดืดแล้วมันคุ่นลายมันใช่ครอบครัวแล้ลูกใช่หลานใช่ผัวใชเมียกับใช่ปีกเนยึเสมอเป็นนรกอนะนรกมาอยู่เขาจะไปซ่อกหานรกใต้ดินใช่ไหมมันมันเห็นเขาเจาะนม่บารบารเจาะแมมันแบบนี้โบเคยไปเจาะเอาบ้านโเคยไปแทงเอาม่นรกใต้ดินที่ตะตี้ยอนี้หสบุตรเป็น้าหุ้นแบบนี้ คือบินจะเลือกเขาจะเที่ยวกันยุ่นยุ่งยู่งไป็นบ้านเถระดาตกลงมาจากเครื่งมันเป็นการ ท, ทำดุจจักมกกันลบก็หมายถึงคนร้าง อ, อกรา้งใจทำสวัสวคูดสวดัวคิดสัวเลยนอนไม่หลัะยินเบอแซคิดด้วยห้หองเอนี่นก็ัพลดลงมามันรบไปมันรบมันที่มันร้านมากที่สุดมันมาลบไปมันรบมมันลบมามันมันเลือดด า, เออามา เ, อ เ, อาเอาที่เห็นไปขึ้งใจ่เหินไปกับตัวมึนทำา เอาเม่อแคิ้แต่กับเตลิดบัตคนไปกนรกหมเห็ตลิไปยังไหนเพราะว่าไปเตลิดนรกเตลิดขันแล้วกับขึ้นมาก็เป็นคนหนึ่งนันก็สองคนที่ไปทำปัญญาจนที่มีปัญญาแล้สั่งดูเตลิดใส่นรกมีบัตแตมันติเใจดูดีเนี่ยเขาทำในขณะที่เขาทาดูพูดดูเขายไม่ขาวไม่ดำในเรื่อนี้แหละคนที่จะทำอยู่มาทำดูเพผู้คิดด้วยใครทักษาจิตกัะแฟนแค่ไหนานดู นี่ใส่ระดุกบ้านนี้มตขึ้นมาโตมัดเป็นรื่อเปนมัดเนี่ยใส่เป็นมัดเป็นแถวแล้วมันเล็กมัดนา้ใส่เป็นเ็กเปนแผวมัดเต้นเปนเขาเป็นอะไรเมัดไว่ซอกหาเป็นไล่ซอกของนเดียวหน่อยหน่งเนะนี้เป็นส่งนต้างติคนเอ้ยมาปาดัมี่สร้างเสรอลมะลามูนนั้นครับมีฝาหน้ามีฝาเามาเป็นอันมันนผู้ที่ไม่จักต้องชั้นอันต่างต่างทันตรนือเขาเยได้สามตั้ง <chodzi> <entreprises> <sh> มันเป็นคนมีตัณหาเยอะตื่นตาเดยอดดาลคนอยู่กับเสียงลึกเสเตงลได้เสียงใกล้เสียงไกลได้เนคนมีตัาคนที่มีตํณหานั้นเบือามากที่จะรูได้เป็นอย่างไรปนตาหน้ามีในตานี่แบบพร้อมอยู่แล้วที่จะรู้ได้จะเห็นได้เพราะจิตใจของคนนั้นมันมีความสะอามีความสว่างมีความสงดมีแรงเต้นอุเตขา เอาเปรียขามมาพ้ดว่าบางเสยยันจิตบางเสยที่แบมันจะมึนเครีอยู่ตลอดเวลมีเมื่อทุกคนทำการทำงานโดยวิธีทุกทำงานโดเวินเจ้าทุกเป็นลเหนือทุกอันเหนือทุกไม่ใช่แนเหนือโลกมันทุกม่ใช่้น่วันโลกโลกคือความทุกข์ความวุ่นวายเปงนไรยังนั้นจิโลกแล้วหนีจากโลกไปอันนั้นมันเป็นที่สอนแบบนึงสแบบเป็นวิทัญญานหแบบเป็นมีตัญญาไยื้ลในโลก แต่หกได้โดยทุกโลกที่โลกเรียงตำแหนเป็นยังไง่ที่นอารยบุคคลรือสัพจน์ทงานได้มาทางานไม่ทิ้งเงี้ยทิงมอตั่นทิ้สู่ทิ้สู่แต่ผู้เห็นไทยแต่เราไม่แต่ทิ้งสูแต่ผู้เห็นไทยเห็นไทยไหนั้นเป็นคนคิดโมดีมันคิดยูบขึ้นมามันไมดีเห็นเอาสนะมันได้แต่เมื่อเรียไปสอนผู้อื่นนะเป็นทิ้งส แค่มากฤยามาเป็นกิเลขออมันมันจะของตัวคือที่ตายยู่แหละเขาเอือนหนอว่าให้ฟังดีสองคนในการไปรักษาสิ้นคนละคนรักษาสิ้นบดยรู้สึกดีคนรักษาสิ้นโดยริสุทธิ้นบ้างสิ้นคอยคนละคนรักษาสิ้นโดยรู้สึกมันตายแต่แล้วแตเพื่นมีขลังเป็นพรดาวคนรักษาสิ้นโดยริสุทธิ้นบ้างเขจะตายแต่แล้วจะเป็นหน่อ นเชือของพรเปือนอนเชือกททยอุจจะนะดแบีกับซอกหาดันนะพเป็นเทวดากับซอหาเชือกตัวนีเชอกกอกหเชืนั้นมันจเห็นกันมบ้าหมุงเชืงมนิดมันสลังกับเชือกซอกเชืงกกับเชือกซอหาดโยนกันพุทนเทวดานั้นมีเวลาที่ดต้นเลยคือุนเหนมันไม่ไช่แหนืนอกับแหนพเป็นเทวดาก็เลยต้นเหมืนมัไปเห็นพุที่เชือกเชือนเป็นหนอน เด็กแตกหาเพื other, ่อนไปโทษเพื่อนนายนือรักษาชื้นงันไปใส่มาใส่ไปงันเลยเนี่ยแต่เป็นคนมื้เสี้ยงเนื่ยเพื่อนนลงมาหาเพื่อนมันให้ร้ายมเพื่นนี่กับเลาเพื่อจับเพื่นำเสียงทำไดเออเพื่อนไปเจอมาเออหามาจักหนึ่งสว่างเลยเดี๋สว่างไปยันได้เสื้ยสบายเนาะเออสบายเนี่ยเสี้ยไปยึดงันเนาะเสร็จแล้วคุณห้ามผอมเงินสว่างให้ฟังกัน้าเสื้อะไรกัน เร่นีเป็นไเสี้ยวเหตุผเรื่องนสบายเลยเออสบายวะอันนี้เียเหตเื่องนี้มาสบายนี้มันอง่าขงเหม็นอ่ง้มองดีละสิงน้บงทีเราคิด่อเหนื่อยแต่เ็นองดีเนี่ยเวื่งรม่เป็นยังไงเ็อมันเป็นของทิอยากได้เสี้ยได้ท่าทึกสวยๆงามๆกันึกก็ได้เลยอยากได้หลังเข่าอยากได้อันใดงามๆอยากได้บ้านได้ห้งงามๆกันนึกก็ได้เลยนึกก็ได้เลย ดูนีเป <Huh. S 1> like ็นยังเชีวูนีไรเออมึงสยามมีทุกอาเนันนี้แหละ็นเตี้ยคนเตี้จะ่อนเตี้อยู่แล้วายเอมมาฮะเลื่อนมันไม่มีทางะพอมาเราให้สั่งแต่ละราเลื่องนี้กัต้องออกมาเ่าสู้กันัองแบบนี้เตี้ที่เป็นหนอมันบ้ไปเลยะางงสยามมีเชื่อไปกินเื่อๆ่าั้นถามมันไม่มีเชื่อเลึงสยามมันเป็นของเท็เชื่อเหรอเ อาจจมีเขี้อนก็กิน็ได้ไปมันรัดว่ากูกิคเขี้ยนเลเบื่อหนึบยองกองขีเหมดเย้ยหลับอันนี้แหละเราดีแากปากว่าเรียนสอนเขาอื่นเยไม่ดาโดนหนือรัดนักไม่ไหลออกเรีนเป็นเองจึกเป็นเองบ้างไมสอนคนอื่นได้เราต้องทำไ้ก่อนเป็นสอคนอื่นกันไันจัทร์แบบนี้มีทางมาค่างเรื่องกันเราให้สังเกตนะจิตจิตก็พูดค่อจมันไปค่อยดูนะยังมาดก็ต้องหล ดีมามปนี้นนีมานินมันจะนมันก็ลักไก่มันกนไค่ด้วยมามนกินไ่ไหมกนไก่ไหมันนี้ตาปูมันเกิดสลาดนาเอากินไก่แล้วบันนี้โประตูไก่อะไรโต้ประตูเฮ็กกลับรก็เปลับกันไม่เป็ น, นเนี่ย ม, มาได้ไหมต้องไมต่อพาอก็เข้าใจเลยเราเข้าใจวนี้ กลับมันก ah ็ล um ั um um um ่นทับหางคือแบบลั่นตับมักขาดติดลงไปที่หาพอมดนเกือบหางนี่ก็เหมือนกระโดดต่ำออกจากนั้นกผเลาไปได้ถึงไกลไปไ่ไปเสือมือเด้งห่งหางมือนั่มันจะห้ามไม่ได้มาหางยาวมาตัวหางค้าไม่ไปเสือมือหางยาวนี่ไปดูมันเชื้อแต่ให้มานนี่มันเยอะมากเลยให้มันห่างกุ้งขึ้นห่างไหล่สบายไปไ่มาใส่บ้าะมากเลยแต่บ้านเนี่ยฮอเกอรตัดหางมาหลายคน แั่เป็นจำปุ้ดคุณรู้แบบนี้โตของโมโหคนก็มีตาแลมนะให้มาคนมโหเราทำอไรเขาไปจนักเขาด้นเขาเป็นหน้าเดินตาจะมันมียุ้ตานี่ยูเป็นเขาเดินอ่งนี้เขาไปฟังเขาเล่าธรรมะเมืนเด็กเล็กมันมีหูฟังเสื้อเขาไปจำหนักคนตาดูคนมองเดิสัาที่เดิเข้า่เดินเลือกเข้ามาทำผ่าตัดทำผาตัอออกเนเื่อเดนไเ้็นอาจารย์เขี้ยมมากดู มันไว้ธรรมดแย่ๆอยู่มันนเยอะมาดูบางทีคนเป็นลาคนดีหูตาเเขาเรียกปดนเมันอาจมาไปดูมันสัมัสล่าหกมือติดมือไมือติดมือยี่สิบมีอกัมอยี่สิบแปดมือของกสัแต่บ้ล้องมาพูดนะสังเกตกคนมีตาได้ไหอตาเขาไมนี้ก็มีด้มองมันสังเกตแล้วดเสียสุดมันเป็นอะอันนู้นี่ยจเหาบ่ไปุงอเข้าไปแล้วเออคนนั้นดีเนี่ย มันไม่ได้ปีตามองเบ่งไปตนั้พะพุกสอนพราีเรศจีรศคออย่งีึกฝนัวยาเรื่อมีจิเราเปดเองอันนี้กัแบแสดงมาหางพุ้นมาหางเดือ้มาพุ่มงแบบ น, นี้มันมีนมมมนนตัญญานี่มันมาพุ่มกันคือข้อคุ้อยาไปตัดไหยตัดห่างมันนัเดินมาหางเดือมันมันหามันเดือยห่างยเม่อมันดีถ้าหักขึ้นมาตัดเอาหางตัดม็ได้มันไม่มีหา่าไม่ใช่เอาอย่างไปตัดอะไรแสายืมันมตัวน้อย หินมันเปนน้ายเด่นัดนี้มันคิดเอาไปปัดคมันก็ปัดได้ได้เด่นมันก็เอาหางใต้หางลยมันไล่หินได้ยิงก็ได้เองตัวห่งเด้น่มันคิไล่หินไดยิงได้ดอกดังนั้มันไม่ใช่จักรีนทางเชื่อมันเป็นธรรมะถ้าหากฟังตึงแลแบบนี้มาเจอมันก็เลยเื่อพ่อสูเนี่้ดีมีหางมันไล่หินได้ยิงก็ได้แล้วสีไปปัดที่เงก็ได้บันีมาหางเล้ยงมันไล่หิได้ยิงได้แล้วหินตัดหัวมาเยินหินคือหยั่งคือกีเลสมันมากินหัวมาเย ข ja. um. ี้เล็กม uh. ันยองขี้ศีระเปนมามันก็เห็นด้วยแต่ยังบอกเป็นอภาพหุดหัวเ็นหัวด้วยโดนเห็นมากกาัยงยดหวเ็นอันดับเห็นคนเจ้าของได้ไปเห็นมาคนันยองหยุดวนี้คนขี่มันบังไวเป็นอยางนี้มัเรีกคนมีปัญญามาสามมาที่มองเห็นได้ถ้ายางยหวก็เห็นได้คขี้มัเหวี่ยงเห็นได้คนชื่อยื่นยางยื่นาไมก็เห็นไ้แสดงว่าคนมีปัญญานั่นมองเห็นได้ทัทีเข้าไปเห็นเลย้าไปเห็นได้ทำเนี่ย ป็นข้าวอาหามากแล้วยังนี้นนี้โกสินกา็ตาเราอยากได้บุญนั่นั่นนะไอ้อุตสาหะยากกันไปคุณบาอาจารย์เป็นผู้มีบุญมากเน่ยมีบุญดูอันเนี่ยมีบุญแบบนั่นบุญคือยานั้มแอย่างนั้นบุญคือมันโทุกเพราอความจะพูมากใหุ้บาอาจามันทุกไม่ทุกมันโมเนี่ยเป็นปีตาไอเมียนบุรีี่คุณบาอาจาช่วยยังไมันเปนองนมันเป็นทุกท้องเขามันจะสบายเบ้ะ อเออมันตะกายเป็นตะกาได้หรืเงี้ขึ้นมาได้เป็นสิ่งคำว่าตั้งทำดูกรไดบื้งดูดูไปทีมาดูท่าเป็นแห่งเมื่อที่มันพระหนึ่เหรอมันว่าส่วยึติสงฆ์ธรรมาการท่านที่ตูตาที่เห็นไทยจะเป็นเห็นไทยคือมันทุงเห่ที่มันคิดขึ้นมามันได้ใครย่าใส่หยดไปที่มันคิดธรรมยาประจนได้มาที่นี่บอกบอกตากั ksi, parece, นจะไปบอกตาพระนั t t ้นบอกตาพระนั้นเมืนปเรื่องบอกตาคนที่เป็นพระขึ้นมา ถ้าไม่หมายถึงผู้ตัดสินหมายถึงผู้สอนสอนให้เขาพูดจักจะได้ก็มไม่เพียงพอเ้าใจเอ็มหมายถึงผู้ผู้พระมุข